ไปในบุญสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตหัวข้อที่สำคัญแก้ความเข้าใจความหมายของบุญที่แคบและเพี้ยนไปให้ทานอย่างไรจึงจะได้ทาบุญอย่างสมบูรณ์ไปทาบุญอย่างเดียวแต่ได้กลับมาสามอย่างถ้าจะทำบุญก็ควรทำให้ครบทุกความหมายหนทางที่จะทาบุญมีอยู่มากมาย ทำบุญต้องให้สมบูรณ์ขึ้นไปถึงปัญญาบุญที่แท้แพ่ความสุขออกไปให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคมโยมทำบุญแล้วพระก็อนุโมทนาแต่ถ้ายมทำบุญเพราะพระชวนอาจจะเสี่ยงอเนศนาทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่ว่าทำอะไรถ้าทำเป็นก็ได้บุญ ศึกษาบุญไปให้ปัญญาพาบุญอย่างถึงจุดหมายกลายเป็นบุญอย่างสูงสุดก้าวไปในบุญสัมมุธนียกถาในโอกาสที่ญาติโยมจัดงานทาบุญที่วัดญาณเวศกวันตั้งมาจะครบห้าปีมีอุโบสถพร้อมพระประธานและสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์พระธรรมปีดกมีอายุครบห้ารอบ นวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2542